ห้าเจ้ากรรมนายเวรวงเล็บเปิดสามอมีนาคม25งพหในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบห้าวงเล็บปิดเจ้ากรรมนายเวรจริงๆแล้วคือชนกกรรมบางคนเข้าใจว่าพอทําใครไว้แล้วเขาจะมาตามล้างแค้นจริงๆแล้วไม่ใช่คือกรรมของเรานี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงตัวกรรมที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรนี่นะภาษาแขกเพราะๆเลยเรียกว่าชนกกรรมชนกที่แปลว่าพ่อ คือกรรมที่ทําให้เราเกิดมาเป็นแบบนี้บางคนทํากรรมมาดีเคยถือศีลมาก่อนก็เกิดมาสวยเคยทําทานมาก็เกิดมาร่ํารวยนี่คือมีชนกกรรมที่ดีส่งผลมาแต่นี่คือของอดีตไม่สําคัญเท่าไหร่ที่สําคัญคือกรรมปัจจุบันต่างหากพอหล่อแล้วจีบเมียชาวบ้านรวยแล้วใช้ทรัพย์สินที่มีไปเบียดเบียนคนอื่นเอาพื้นฐานที่ดีไปทําชั่วอย่างนี้ก็มีนะบางคนมีชนกกรรมเกิดมายากจนแต่ทํากรรมดีขยันทํามาหากิน รู้จักดำรงตนอย่างดีไม่คบคนเกเรก็ร่ารวยขึ้นมาดังนั้นชนกกรรมแค่ส่งผลขึ้นมาเจ้ากรรมในเวรแค่ส่งผลให้เราต้องเจอปรากฏการต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อเราเจอปรากฏการแต่ละอย่างแล้วเราต้องทำกรรมปัจจุบันต่างๆให้ดีที่สุดไม่ใช่ฝากชีวิตไว้กับเจ้ากรรมในเวรในอดีตนะถามว่าอย่างเราไปตีหัวคนคนหนึ่งหัวแตกไปเนี่ยเขาจะต้องมาตีหัวเราไหมไม่จาเป็นเลยนะ เจ้ากรรมในเวรของเราอาจจะตกนรกอยู่ตอนนี้แต่คนอื่นมาตีเห็นไหมไม่จําเป็นต้องคนเก่าหรอกดังนั้นไม่ต้องไปติดสินบนเขานะแค่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีเจ้ากรรมในเวรมันก็มีตัวกูผู้รับกรรมรับเวรอีกนั่นแหละถ้าเราภาวนาจนไม่มีตัวเราแล้วเจ้ากรรมในเวรจะไปยุ่งกับใครก็ช่างเขาไปะไรแต่ก็มีเหมือนกันนะอย่างผีอาฆาตอย่างนี้ก็มีเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่ง แกเป็นจ่าตอนแกเกษียณได้เป็นนายร้อยตอนแกเป็นเด็กสาวๆแกไปทอดกรถิน่นขณะที่เขาทําพิธีอยู่แกถูกผีสิงผีบอกว่าจะต้องเอาชีวิตแกให้ได้พวกญาติโยมก็ไปตามพระมาเจรจาว่าทําไมจะต้องไปฆ่าเขาเขาก็บอกว่าอาคาตมานานแล้วชาติก่อนๆนี่ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเศรษฐีผีเป็นทาสผู้ชายวันหนึ่งไปแอบดูเขาอาบน้ําพอผู้หญิงรู้เข้าไปฟ้องพ่อเลยโดนจับมาเคี้ยนจนตาย พอตายแล้วก็เอาศพมาฝังอยู่ที่ใต้ต้นพิกลนะเขาเลยตั้งปณิธานว่าต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ต้องกินเลือดผู้หญิงคนนี้ให้ได้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้อาบน้ำไม่ระวังเราไปเห็นว่ามีปานที่ขาด้วยชาตินี้มันก็มีมันเปิดโปงด้วยนะผีค่อนข้างจะเป็นผีลามกจริงๆนิสัยเดิมชอบดูก็ดูอีกเสร็จแล้วไปขุดนะเจอกระดูกถูกโซ่มัดไว้ด้วยสมภารก็เจราจาบอกว่า ให้เขาทําบุญไปให้ก็แล้วกันอย่าไปอากาตเขาเลยผีก็บอกว่าต้องเอาเลือดมาสังเวยมันนะพอดีมีหมอคนหนึ่งก็ดูดเลือดไปฉีดใส่กระดูกผีผีก็ออกแต่ก็มาคอยหลอกเรื่อยๆเวลามันจะมามันจะมาตอนเย็นๆพลอ้เพลบรรยากาศจะวังเวงนะมันจะหลอกเวลามันจะแกล้งแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามนะว่ามันแกล้งอย่างไรแกกลัวที่สุดเลยาาก็ภาคเพียร น, นะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาทุกวันทุกวันอยู่มาหลายปี วันหนึ่งมันมาหาเรียบร้อยมาแล้วบอกว่ามันพอใจแล้วมันจะไปเกิดแล้วไม่อาฆาตแล้วมันก็เลยหายไปผู้หญิงคนนี้ก็เลยชอบทําบุญคุณทอเลี้ยงพี่บูรณ์เคยไปสัมภาษณ์เอาเรื่องนี้ไปเขียนพอดีไปเจอตัวแก่เข้าแต่ก่อนทํางานอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่าเอามาเป็นเจ้าหัวใจเรานะเห็นไหมเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการทําอะไรเลยเขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างความดีในปัจจุบันเขาทําบุญเขาทําทานของเขาไปเรื่อย เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสร้างความดีไว้ความดีช่วยคุ้มครองเราบุญกุศลติดตามรักษาเราไปเส้นทางเดินในสังสารวัฏยาวไกลที่สุดเลยระหกระเหินที่สุดน่ากลัวที่สุดมีโอกาสนะชาตินี้ได้สร้างคุณงามความดีนะทาให้เต็มที่นะอย่าทำแบบยึกยักยึกยักทายึกยักแล้วเมื่อไหร่มันจะจบไป